พอมาถึงในช่วงเวลาของการพูดคุยธรรมะกัน นะเรามีความสามารถไม่เท่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นบทเพียรศีลอะไรต่างๆนะความเข้าใจในหลักธรรมนั้นก็ไม่เท่าพระพุทธเจ้าแน่นอนนะอันนี้รับรอง ยิ่งแล้วกันไปเลยแล้วกันไปเลยนั่นคือเป็นผู้ที่สามารถๆแล้วก็จะมีความเรียบร้อยความเนี๊ยบความ รับรองให้ได้เลยรับรองให้ได้เลยว่ามันต้องมีที่ผิดผิดพลาดในความผิดพลาดมีแน่นอนนอกจากว่าเราเอาเหมือนเป้มา นะตัวข้าพเจ้าเองไปฟังที่เคยผ่านๆมา ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเอ่อไม่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิบายไปในเรื่องราวพุทธวจนะต่างๆ นะอาการจักความจำอาจจะมีที่เลอะเลือนไปบ้างผิดเพี้ยนไปจากของจริงบ้างนะแปลมาเป็นภาษาไทยนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะแต่ละสำนัก นั่นก็คือสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่มั้ยซึ่งเอาความจริงในใจมาเปิดเผยๆแล้ว ของสามีปรัชญาของใครก็ตามในๆเนี่ยไม่มีผู้ชายไม่มี มันละเอียดกว่านั้นละเอียดกว่านั้นบริสุทธิ์กว่านั้นรับรู้ได้ดีกว่านั้นอย่างบาง นะซึ่งจะพูดว่าไม่เป็นภาษาไทยไม่เป็นภาษาอังกฤษ นะเพื่อที่จะทําจิตของเราให้มันสบายได้อย่างไรให้มัน ได้ยินเห็นรับรู้นะรู้สึกทุกอย่างเลยนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเราอยู่กับในสิ่งเราพยายามทําความเข้าใจนะเราพยายามทําใจของเราให้ให้เป็นกลางๆให้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเอ่อเราก็จะเข้าใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นในการตอบสนองของเราในความเข้าใจตรงเนี้ยน่ะก็จะทําให้สิ่งแวด อ่าตรัสรู้แล้วนั่งอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะณแถวๆ นะสัตว์เราได้สัตว์เราได้มีส่วนประสาทสัตว์เหล่าหูนั่นเองนะหูนะประสาททาง นะเป็นคนแรกเป็นเอ่อถ้าจะเปรียบเหมือนก็เปรียบเหมือนแม่ไก่ก็ขออภัยเปรียบเหมือน นะอยู่ข้างหน้าก็คอยบอกลูกเจี๊ยบเพราะการฟังเอ่อพุทธวจนะ ยิ่งจะมีความเนี๊ยบมากขึ้นนะในการที่เรื่องของบทประยัญชนะนะแล้วก็อ่าถ้าตรงไหนเราไม่เข้าใจอย่าง 106 pheowthamma.com/106 ก็สามารถติดตามทางรายการเราก็จะสามารถที่จะเอ่อๆรอบนิดนึงนะ <virtually> ไม่ได้มีอะไรมากเลยไม่ได้มีอะไรมากเลยเดี๋ยวมันก่อนจะมีความคิดว่าไอ้จิตของฉันทําไมฉันถึงไม่ นะไม่ลุ่มหลงไปตามคำชมนั้นแต่จะให้มี มาปั้นให้ดูนี่จิตฉันรูปนี้สีแดงด้วยและมันเป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจ heart shape ไม่ใช่อย่างนั้นเอ่อมันเป็นสภาพที่ละเอียด นะอะไรเป็นที่แล่นไปแห่งจิตนะสตินี่แหละที่ นะหรือว่าได้ลิ้มรสแล้วมันจะพุ่งไปหาจิตทันทีจิตจะทู แล้วทีนี้เราจะเห็นจิตได้ยังไงพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี่แหละเป็นที่เล่นไปแห่งสติแต่เพราะนั้นเราจะเอาจิตมาได้เนี่ยคุณต้องมีสตินะสติคือ นะความระลึกถึงนี้นะจิตเข้าไปรับรู้คุณจะระลึกถึงพระธรรมก็ได้ธัมมานุสตินะคุณ ให้เพื่อความเป็นอย่างนั้นเพื่อความเป็นอย่างนั้นนะเราดูซิว่าเราสามารถติเตียนตัวเองด้วยศีลได้ ให้จิตมีสตินะก็มีสตินี้ก็จะทําให้จิตของเราคุณจะเดินทาง